โอกาสต่อไปนี้เึ่งพากันตั้งสติสำรวมใจให้ดีเรามาวัดหรืออยู่วัดความประสงค์ที่แท้จริงก็เพื่อมาสำรวมศีลสำรวมอินทรียให้แก่กล้าความหมายนะให้เข้าใจ ผู้สมทานสินโมสดก็ได้สำรวมกายวาจาใจสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่แหย่ยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆรักษาใจของตนให้เป็นปกติอยู่ภายใน ท่านเรียกว่าอินทรีย์เรียว่าคำรวมอินทรีย์การที่จะทำอย่างนั้นได้เพราะอาศัยสติสมบัญญเ็นยะระลึกหัดระลึกให้มันทันระลึกรู้ให้มันทันกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเรื่องที่น่ายินดีก็ดีน่ายินร้ายก็ดี เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ทำความรู้ทันทีเลยไม่ว่ารู้เท่าว่าเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆหมดนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่ใช่มีตัวมีตนอะไรกว่าเมื่อมันรู้ชัดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยินดียินร้ายอะไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแต่ว่า บุคคลผู้รักษาศินอุโบสถนี่ถ้าหากว่าอยู่บ้านอยู่เรือนเนี่ยมันจะคนไม่ไหวเพราะมันมีสิ่งกระทบกระทั่งมากมายดังนั้นจึงนิยมกันมารักษาอยู่ในวัดชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งในวัดนั้นโดยเฉพาะวัดป่าอย่างนี้มันก็เป็นสถานที่สงบสงัด เราจะจากผู้คนพกุกขันเราจะจากเสียงอึ้งคะนึงต่างๆ <c oughs> มันก็มีโอกาสที่จะได้สํารวมอินทรีย์ให้สม่ำเสมอไปได้เมื่อสํารวมอินทรีย์ได้จิตใจมันก็สงบมันอินทรีย์อินทรีย์คือใจ น, น, นั่นแหละ เราไล่ไปตั้งแต่ตาหูจมูกลิน้นกายแล้วก็รวมถึงใจมีใจเป็นประธานถ้าหากว่าเราสำรวมใจได้ก็เท่ากับว่าสำรวมตาหูจมูกลินล้นกายได้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วตาหูเป็นต้นเหล่านี้มันก็ไม่ ม, มีพิษมีภัยอะไร แม่มันจะเห็นรูกมันจะได้ยินเสียงดีเสียงชั่วรูปดีรูปชั่วอะไรก็าตามมันก็ไม่มีพิษมีสงอะไรในเมื่อใจไม่ยินดียินร้ายกับมันแล้วมันสำคัญอยู่ที่ปล่อยใจให้ยินดียินร้ายกับมันไปนั่นแหละมันมีพิษแล้ววา น, นี่นะทำให้จิตเดือดร้อนขึ้นมา เพราะนั้นการรักษาอุโบสถนี่ท่านยินกล่าวว่าเป็นผู้เป็นผู้ประพฤติพรหมจันท์เพรบพรหมจันท์นี่หมายเอาความเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ให้สงบระ ง, งับทําจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งอันนี้แหละไม่เห็นยินดียินร้ายอย่างที่ว่ามาครอบงาจิตใจ ก็ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติคมัจันทร์จะเป็นเพศใดก็ตามในเรื่องเพศนั่นก็ยกไว้แต่สำคัญแท้ๆก็อยู่ที่การสํารวมอินทรีย์อย่างที่ว่านั่นแหละมั่นอินทรีย์หละสำคัญเรามีสติประคองจิตตรงนี้ให้ได้ เห่นตาเห็นลูกงนี้สติก็วิ่งเข้าไปหาจิตกำหนดจิตรู้เท่ารูปนั้นหรือว่าหูได้ยินเสียงสติก็วิ่งเข้าไปประคองจิตให้รู้เท่าเสียงนั้นเมื่อจมูกได้สูดกลิ่นลิ้นได้ลํำรสกายได้ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งใดๆก็ดีเมื่อมีสติสำรวมจิตได้ห้ามห้ามจิตได้ จิตก็เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งที่มากระทบกระทั่งตาเป็นท้นเหนานั้น<ม>นี่การมารักษาอวสตสินหรือการมาอยู่ในวัดก็ให้เข้าใจความมุ่งหมายอย่างนี้ไม่ใช่มาอยู่วัดแล้วก็ปล่อยจิตของตนให้หลงยินดียินร้ายเสียใจเศร้าโศกไป อย่างนั้นน่ะได้ชื่อว่าไม่ได้ผลเลยในการอยู่วัดไม่ได้ผลจริงๆถ้าปล่อยใจให้เป็นไปอยู่อย่างนั้นน่ะอืาน้อยหนึ่งก็กระทบกระทั่งกันวุ่นว่าวุ่นวายไปหาความสงบไม่ได้เลยนี่ <c oughs> มันก็ไม่ต่างจากชาวบ้านเท่าไหร่นัก <c oughs> ถ้าเป็นเช่นนั้นนะ เพราะฉะนั้นเน่ะให้พากันเข้าใจคำว่าประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติอย่างพรหมพรหมนั่นท่านมีจิตเป็นกลางท่านมีพระมวิหารสี่อยู่ในใจมีอุเบกขาเป็นที่สุดนั่นวันนี้เรามารักษาสินแปดกตรีสินสิบกตรีสินสองร้อยยี่บเจ็ดกรี ก็เพื่อมุ่งหวังทําจิตให้เป็นกลางวางจิตให้เป็นหนึ่งนั่นเองหยุดมุ่งหมายนะ <c oughs> แต่ผู้ที่มาเป็นนักบวชเนี่ยนับว่ามีโอกาสได้สำรวมอินทรีย์ได้มากกว่าผู้ครองเลือนเพราะว่าอยู่ในที่สงบสงัดเรื่อยไปไม่ค่อยได้ไปครกที กับเรื่องที่มีคนคุกคีต่างๆในภายนอกเช่นนี้มันก็มีโอกาสได้สั่รวมอินทรีย์มากกว่าผู้ครองเรือนต้องให้เข้าใจเว้นเสียแต่ตั้งอยู่ในความประมาทปราศจากสติสมบัติชญะปล่อยให้สติระลึกส่งออกไป้างนอกนูน่น สมบัติัญญากรู้เรื่องราวแต่ภายนอกนู่นไอเรื่องกายเรื่องใจตัวเองไม่รู้นี่ท่านเรวมาตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อปล่อยสติให้เลื่อนลอยไปอย่างนั้นจิตมันก็หลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์นั้นๆอมันก็เป็นปกติไม่ได้เลยการมาบำเพ็ญสมาธิภาวนามันก็เป็นไปไม่ได้แบบนี้ เพราะว่าจิตมันไปยึดอารมณ์ภายนอกมารบกวนอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะสงบลงได้ยังไงอ่ะเห็นนล้วเราต้องสำรวมระวังตั้งแต่ก่อนนั่งสมาธิภาวนาเวลาใดก็ตามเป็นเวลาที่เราสำรวมจิตใจเสมอไปขอให้เข้าใจอย่างนั้นนี่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนะ มันต้องพยายามอย่าไปพ่อแท้ว่าจะไม่ให้ไม่ให้สํมรวมจิตอยู่ตลอดเวลาไปได้ยังไงพอหน่วยหนึ่งก็หลงแล้วหน่อยหนึ่งก็เพลินไปแล้วนี่อย่างนี้แล้วมันจะได้ยังไงไม่ควรไปคิดอย่างนั้นคือเราตั้งเป้าหมายไว้เราจะทำอย่างนี้แหละไป ให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้นะเมื่อเราตั้งเมตตาใหม่ว่าเราเราก็พยายามทําไปเรื่อยๆถ้าหากว่ามันเผลออย่างนี้เอาเผลอรู้ตัวแล้วก็ตั้งสติสํารวมใหม่อย่างนี้สํมรวมไปใหม่เมื่อสํารวมจิตได้มันก็เป็นปกติตามเดิมนี่เป็นอย่างนั้นอันคนธรรมดาสามัญ น, นี่จะไม่ให้เผลอไม่ได้ต้องเผลอ แต่ว่าเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าเพราะเราเผลอย่างนี้เราจะตั้งสติสั้มรวมจิตคืนเราจะไม่ปล่อยจิตให้เลิศไปตามอารมณ์ต่างๆนี่เราตั้งอธิษฐานในใจว่าอย่างนี้ผู้ปฏิบัติทำเนี่ยมันก็จึงไม่เสื่อมถ้าไม่ตั้งอธิษฐานใจว่าอย่างว่านี่มันก็ไปตามยาถากรรมแหละจิตนี่นะ สุดท้ายต่กิเลตมันจูงไปยังไงก็คิดไปปรุงไปตามมันแลว้วะนี้นะมันเป็นอย่างไ น, นเรื่องมันนะมันก็ไม่เชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมะแบบนั้นนะผู้ปฏิบัติธรรมมันต้องสำรวมตนเจ อ, อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่เหลือไว้ใส่จริงๆก็ไม่ให้มันเผลอไปมีสติวควบคุมจิตนี่อยู่ภายในนี่ มันขึ้นอยู่กับเราฝึกนะอย่างที่ว่ามาแล้ ว, ลวนะั่นแหละพอมีเรื่องอะไรมาถึงเข้าในสติวิ่งเข้าไปหาจิตควบคุมจิตทันทีอย่างนี้นะเ <c oughs> มื่อควบคุมจิตได้นั้นมันก็ไม่วันไหวไปตามอารมณ์นั้นนตามเรื่องนั้นนานที่กระทบกระทั่งมาเปันเย่งนั้นถ้าหากว่าสติมันอ่อนแอ มันวิ่งเข้าไปหาจิตไม่ทันไม่ได้จิตวันไหวไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นเสียก่อนอย่างนี้มันก็จิตก็คุ้งท่านไปเลยน ะ, ะก็สงบไม่ได้เป็นองั้นอันนี้แหละหลักของการปฏิบัติเอาอย่างกระทัดรัดเข้ามาไม่ต้องอ้อมค้อมจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรง แนะนำสั่งสอนหลายเรื่องหลายราว ต, ต่างๆ น, นานาหมูนั้นนะก็เพื่อที่ให้ผู้ฟังนั้นมีสติสำรวมจิตดวงเดียวนี้เท่านั้นเองนะสัมรวมจิตดวงนี้ให้มั น, นแน่วแน่อยู่ภายในอย่าให้มันวันไหวไปตามอารมณ์ต่างๆนี่ความมุ่งหมายนะเมื่อควบคุมจิตนี้ได้ความพลังเผลอมันก็มีน้อย เป็นไปไงยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรก็มีสติควบคุมจิตอยู่เนี้ยจิตก็สม่ำเสมอเป็นปกติไปแล้วก็รู้ตัวว่าจิตใจตนเองเป็นปกติอยู่ไม่ไม่ได้วันไหวเปยกับสิ่งใ ด, ดหรือว่าหากมันเผลอมันเผลอตัวแล้วมันวันไหวไปก็รู้ตัว พอรู้ตัวแล้วก็รีบตั้งสติสัมมูลจิตควบคุมจิตไหมอย่าให้จิตมันเผลอมันเลิอไปเหมือนแต่ก่อนอืสติมากำนดรู้อยู่ที่รู้อความรู้อยู่ตรงไห น, นสติเข้าไปควบคุมอยู่ตรงนั้นห้ามความรู้สึกอันนั้นไม่ให้มันคิดสร้างไปในอารมณ์ที่มันหลงมันเผลอไปนั่นนะ เรามีสติห้ามไว้เสม อ, อเสมออย่างนี้นะเอะเมื่อจิตนี่มีสติคอยห้ามปราบอยู่อย่างนั้นนะมันก็ไม่ใครตื่นเต้นกับเรื่องราวต่างๆที่กระทบกระทั่งมาทางตาเป็นต้นนี่นะมันก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเหตุที่จิตใจมันจะตื่นเต้นวันไว้ก็เพราะขาดสติตามรักษานั่นเองเนี่ยให้สังเกต ด, ด้วย จิตนี่ถ้าขาดสติสัมปชัญญะตามรักษาแล้วไม่เป็น่าเลยอ่อนแอทอแท่วันไววง่ายแล้วก็ขาดปัญญาบ่หนี้จะวินิจฉัยเรื่องลราต่างๆก็ไม่ได้เลยใจอ่อนแอทอาแท่แล้ว่างนั้นใครว่าดีก็ ด, กดีไปตามเลยบ่หนี้นะใครว่าชั่วกว็ชั่วไปตามไออย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยทุกคนต้องคิด พึ่งสติเพึ่งปัญญาตัวเองไม่ใช่ว่าเราจะไปเดินตามหลังผู้อื่นเรื่อยไปอย่างนั้นฝากชีวิตจิตใจความคิดความเห็นอะไรไว้กับผู้อื่นตลอดไปอย่างนี้ไม่สมควรนะอไม่สมควรต้องฝึ ก, กจิตใจตัวเองให้มันหนักแน่นให้มันตั้งมัน่นนี่แหละบอ่อเกิดของปัญญานะเมื่อจิตใจหนังแน่นตั้งมั่นแล้ว อะไรกระทบเข้ามามันก็ไม่หวัย์ไวมันก็รู้เท่าทันแล้วก็ไม่ยึดไม่ถือเอาไว้มันก็ปล่อยทิ้งไปเรื่อยๆไม่ยึดไม่ถือการปฏิบัตกิก็มุ่งอย่างนี้แหละขอให้พากันเข้าใจทำทั้งหลายไม่ควรถือมั่นพระพุทธเจ้าแสดงไว้ เพียงแต่พิจารณาให้รู้แจ้งตามเป็นจริงเท่านั้นหนึ่งนะผู้รูปพอรู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางตามสภาพเช่นอย่างขันห้าอย่างนี้แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้เนะี่ยเอารูปกายนี่พิจารณาเห็นแจ้งแล้วมันไม่มีอะไรมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้น นามธรรมสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมันเกิดขึ้นกับระหว่างกายกับจิตนี่แหละกระทบกันเราเพ่งเวจาาดูแล้วก็เห็นว่าไม่มีรูปร่างอะไรไม่มีตัวตนอะไรเช่นสุ ข, ขเวทนาทุก ข, ขเวทนาอย่างนี้นะลงไปค้นหาตัวมันสิมีไมไี่ไม่มีมีแต่ความรู้สึกเฉย มีแต่สัมผัสเฉยๆสัมผัสนั่นก็ไม่มีตัวไม่มีตนอะไรสัญญาความจำหมายมูลนี้นะไม่มีตัวตนอะไรเลยสังขารคือสภาพปรุงแต่งจิตใจให้คิดโน้นคิดนี้อะไรมูนี้นะมันก็ล้วนตั้งแต่เป็นธรรมอารมณ์ไม่มีรูปร่างอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้น วิญญาณความรู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันก็เหมือนกันนะความรู้ความรู้ต่างๆหูเนี่ยมันออกมาจากดวงจิตนั่นเองถ้าถ้าไม่มีจิตตรงนี้อยู่ภายในนั้นแล้ววิญญาณก็มีไม่ได้ไม่มีดังนั้นเมื่อคนเรานะเวลาจวนจะตายมา เวลาจวนจะตายนั่ไงไอความรู้สึกคือวิญญาณ น, นี่น่ะมันก็ค่อยดับลงดับลงเมื่อวิญญาณทางตาดับตาก็มองไม่เห็นอะไรเลยวิญญาณทางหูดับไปหูก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรวิญญาณทางจมูกดับจมูกก็ไม่รู้สึกกลิ่นอะไรทั้งหมดเลยวิญญาณทางลิ้นดับลงลิ้นก็ไม่รู้จักรสอาหารอะไรเลย ถ้าอ้อน้ำเทใส่ปากให้กระเชยๆมันปล่อยมันไหลลงไปเฉยๆนี่นี่ย <c oughs> เวลานั้นนั้นแสดงว่าวิ ญ, ญญาณมันดับลงไปแล้วเอาวิ ญ, ญญาณทางกายแบบนี้ไอความรู้สึกตั้งเสียเท้านี้ขึ้นมาหายขึ้นมาหายขึ้นมาไอเบื้องบนก็ตัดศีสระลงไปความรู้สึกกาหา็หายลงหายลง ก็ไปรวมกันอยู่ที่หน้าอกเท่านั้นแหลอะอ่ความรู้สึกนั่นน่ะไปอยู่ที่หน้าอกพอถึงเวลาแล้วอย่างนี้ก็หายใจเข้าออกไปมาเสียงดังครอกทีเดียวเท่านั้นแหละเงียบไปเลยแบบนี้ไออุ่นที่อยู่หน้าอกที่เคยอุ่นอยู่แต่ก่อนนั้นก็ระงับไปแล้วหน้าอกก็เย็นอ่ แสดงว่าจิตวิ ญ, ญญาณออกจากร่างนั้นแล้วเนี่ยเหตุนั้นแหละวินพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิญญาณังอา น, นิจจังวิญญาณมันไม่เที่ยงแต่เท่าที่สังเกตดูคนส่วนมากก็มาหลงวิญญาณ น, นี่แหละหลงวิญญาณตาเห็นโรปเกิดความรู้สึกขึ้นมานั่น แล้วจิตนั่นก็ไปวิจารณ์ว่ารูปนั้นสวยจังอย่างงี้นะอืจิตใจก็กระสันขึ้นมาแล้วอืวันไวขึ้นมาแล้วอยากได้รูปนั่นแล้วอืทีนี้ถ้าหากว่าผุ้คนผู้รู้เท่าวิญญาณอย่างนี้พอตาได้เห็นรูปเกิดจักขวิญญาณความรู้สึกขึ้นมาที่ตาว่านั่นคือรูปอย่างนี้ ไอความรู้อันนั้นอ่ะสติมันไปกำกับอยู่แล้วรูปนั้นก็ทักว่าแต่รูปประกอบขึ้นด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเอเมื่อมันแตกกระจายออกแล้วก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไปไม่ใช่ตัวต้นอะไรไม่ใช่ของสวยของงามอะไรนี่สติมันระลึกได้อย่างนี้นะ่ะตาเห็นลูกก็ทักแตว่าเห็นนั่นแหละไม่ได้ยินดีไม่ได้ยินไรอะไรเอ มันเป็นอย่างนี้เรียกว่าคนเรามันหลงวิญญาณในหลงพี่ณาดูอ่ะหลงวิญญาณทางตาหลงวิญญาณทางหูหลงวิญญาณทางลิ้นลิ้นได้รับรสอาหารอร่อยเขาก็ดีใจนั่นกับเพราะมันความรู้สึกนั่นแหละรู้สึกว่าอร่อยอย่างงี้นะอ่มันนึงดีอกดีใจขึ้นมากับจิตไม่รู้เท่ารสไม่รู้เท่าวิญญาณทางลิ้นนั่นเอง วิญญาณทางกายนี่มันมา ก, กนมันส่้นอยู่ทั่วไปหมดเลยดังนั้นน่ะสติก็ต้องตามเพ่งพิจารณารู้เท่าวิญญาณเหล่าเนี้ยว <c oughs> ิญญาณทางกายนี่พอกายได้สัมผัสสิ่งที่อ่อนนุ่มนิ่มอย่างนี้ก็ดีอกดีใจพออกพอใจอย่างนี้นะ เรื่องสัมผัสนี่ก็สําคัญนะอให้พากันพิจารณาดูสัมผัสเป็นปัจจัยบังเกิดเวทนาอเวทนาเป็นปัจจัยบังเกิดตัณหานี่เป็นความจริงนะพ อ, พอตาได้เห็นรูปสัมผัสกับรูปเข้าไปเนะี่ยเกิดเวทนาทางใจขึ้นมาเนาะถ้ามันไม่รู้เท่านะนเนี่ยเงนั้นเนะง เวทนาไปทางไหนอ่ะเอาถ้าเห็นลูกที่ร้ายก็เกิดเกลียดชังขึ้นมาเกิดโทมนัสเวทนาขึ้นมาถ้าเห็นลูกสวยงงามน่ารักมันก็เกิดโสมนัสสะเวทนาขึ้นมายินดีอย่างยิ่งเลยเมันเป็นอย่างนี้เอ้สัมผัสนี่นะมันเป็นแจมเป็นปัจจัยมันเกิดเวทนา วันนี้เมื่อมันหลงเวทนาแล้วเวทนาเป็นปัจจัยมังเกิดตันหามันนี้เกิดความอยากได้รูปนั่นๆมาแล้ววันนีนะ้ถ้าไปเห็นรูปที่น่าเกลียดได้ทั้งก็เกลียดทั้งไม่อยากเห็นอีกแล้วไม่อยากดูมันแล้วอย่างเงี้ยจิตใจมันเอียงไปเอียงมาอยู่อย่างนี้ก็เพราะมันหลงสัมผัสดังนั้นการภาวนามันต้องเพ่งพิจารณาสัมผัสต่าง ให้มันรู้มันเห็นเนื้อสัมผัสนี่มันเป็นปัจจัยมันเกิดเวทนาเพ่งดูให้มันรู้สังเกตดูให้มันรู้ไอ้บรรดาผู้มีกิเลสทั้งหลายเน่ะเมื่อเราสังเกตดูมันรู้ได้ทันทีเลยเพราะว่าตาได้ไปสัมผัสกับรูปที่น่ารักให่พอใจมันเกิดความรู้สึกผิดปกติแล้วเกิดความยินดีน้อยๆขึ้นมาแล้วทีแรกนะพอ ไม่กำหนดละมันไม่รู้ท่อมันเท่านั้นมันเกิดวิโกวิจัยขึ้นมาแล้วเกิดความยินดีอย่างยิ่งขึ้นมาแล้วมันก็กลายเป็นตัญหาอยากได้ขึ้นมานี่แหละเมื่อตัญหามันอยากได้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้ยึดถือเรื่องนั้นมาเป็นอารมณ์อยู่นั่นแหละยึดถือรูปนั้นมาเป็นอารมณ์ เราวิถวกวิจารณ์อยู่นั่นแล้ววิถวกเพราะแสดงความ ย, ยิ่งเกิดความอยากไรความรักความไข่กันเท่านั้นนี่เพราะฉะนั้นแหละผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพิจรารณามันรู้เท่าออ <c oughs> สัมผัสรู้เท่าเวทนารู้เท่าตัณหารู้เท่าอุปาทานเหล่านี้กําหนดละมันเลื่อยไปไม่ยึดไม่ถืออะไร แม่จิตมันหลงยินดียินร้ายไปให้มันมีปกติรู้เห็นความเกิดความดับของรูปเสียงสิ่นรถเครื่องสะพัดต่างๆหันี้นะให้มันมีปกติรู้เห็นว่ามันเกิดกันแล้วดับไปไม่มีอะไรคงที่อยู่ได้เลยอย่างนี้แหละ <c oughs> จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเลื่อนขั้นขึ้นไป ในถึงถึงถึงขั้นวิปัสนาญาณวิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งตามเป็นจริง <c oughs> ถ้าพูดสั้นๆเข้ามาก็เลยว่าเห็นแจ้งรูปกับนามนี่แหละตามเป็นจริงเพราะโรคสานิวาสอันนี้เมื่อหากว่าเราเพ่งดูรวมๆแล้วมันไม่นอกเหนือไปจากรูปกับนามอ ให้สังเกตดูรูปได้แก่วัตถุที่เรามองเห็นด้วยตาทุกอย่างเรียกว่ารูปอ น, นามะธรรมทั้งสี่ประการนั้นมันเกิดขึ้นกับระหว่างกายกับจิตสัมผัสกันอย่างทสิว่ า, ายฟังมันนี่นะแล้วเกิดแค่แล้วมันก็ดับไปนามธรรมเราแล้วนะไม่มีอะไรยั่งยืนอยู่ได้ รูปก็เหมือนกัน เ, ออเกิดดับเกิดดับอยู่เนื้นวันใดที่จะไม่มีคนตายไม่มีในโลกอันนี้นะแต่ว่าเราหากไม่เห็นเเพราะมันกวงใหญ่ไฟศาลโลกอันนะี้ใครตายอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ได้ไปตามรู้ตามเห็นแต่ว่ามันมีตายทุกวัน ท, ทุกนาทีก็แล้วกันแหละแล้วการเกิดก็เกิดทุกนาทีเหมือนกันนะ เ, ออเป็นอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาส่วนใหญ่นะ แต่ถ้าพี่ณาปัจจุบันนี้มันก็เกิดดับเกิดดับอย่เหมือนกันรูป ก, กายอันนี้นะเช่นอย่างว่าน้ำมูกน้ำลายไหลออกมาอันนี้นะเหงื่อไคลไหลออกมาอันนี้นั่นแหละรูปเกิดรูปดับอาหารรับประทานเข้าไปในกระเพาะนั่นเรียกว่ารูปเกิดเหงื่อไคลไหลออกมาอุจาราปัชวาไหลออกมานั่นเรียกว่ารูปดับฉะนั้นให้พึ่งทางกันเจริญปัญญาพิจารณามันเห็นแจ้ง ตามเป็นจริงแล้ววางไว้ตามสภาพของมันไม่ยึดไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราแล้วก็จะเป็นทางให้เราพ้นทุกข์พ้นภัยในปัตะสงสารอันนี้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุตสิลงเพียงเท่านี้